ข้อที่9ปันจะมีวิพัตในอัตทูงราธิโยคะทูงราธิโยคะทูงราธิตัดมาเป็นทูงระบวกอาทิทูงระแปลว่าไกลอาทิแปลว่าเป็นต้นโยคะแปลว่าในที่ประกอบในที่ประกอบด้วยสัพท์มีทูงระเป็นต้นสัพ์ว่าใกล้สับว่าไกลอะไรพวกนี้นะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ข้อหนึ่งกีวะทูโร อิโตนะนัลการะคาโมกีวะนี่แปลว่าเพียงไรแค่ไหนขนาดไหนแปลว่าเพียงไรเพียงใดแค่ไหนทูงระแปลว่าไกลกีวะทูงโดจึงแปลว่าไกลเพียงไรไกลแค่ไหนอิโตแปลว่าจากที่นี้นะัลการะคาโมแปลว่าหมู่บ้านช่นางศาล เช่นเราเดินทางไปเราจะไปซื้อเครื่องจับสารเขาได้ยินว่าถนนสายเนี้ยมีหมู่บ้านที่เขาขายเครื่องจับสารอยู่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้ไปหาไม่เห็นสักทีก็ไปถามแวะถามเขาบอกว่าไปบ้านเนี้ยอีกไกลไหมไกลแค่ไหนถ้าไปทางเหนือก็ปู้นแล้วก็ไปทีเนี้ยอถ้าไปอีสานก็จักบื้อ ถ้าจักบึ้ก็ครึ่งวันน่ะเป็นไงยาจืดบ้านอามาก็จักบึ้ดจักบึดก็ครู่เดียวเขา่าจักบึ้ครู่เดียว ต่อไปข้อสองอัฏฐะทูลกระโตวะอาคัตฉันตังอัฏฐะแปลว่าเห็นแล้วเห็นแล้วจะใส่ได้หรือไม่ได้ก็ได้อัฏฐะเห็นแล้วอาคัตฉันตังซึ่งผู้มาอยู่เห็นผู้มาอยู่ทูงกระโตวะจากที่ไกลนั่นเทียวเห็นเดินมาตั้งแต่ไกลความหมายง่าย เห็นนะแต่เห็นนู่นนะมาจากไกลๆนั้นเห็นแล้วเห็นแล้วซึ่งผู้มาอยู่จากที่ไกลนั่นเที่ยวเห็นตั้งแต่ไกลทีเดียวเห็นตั้งแต่ไกลเลยข้อสามสิปาคางโกรคามะโตกีวะทูงโกรสิปาคางโกรแปลว่าโรงเรียนสิปาคาน หรือไม่ก็ศิลปาคารอะไรเงี้ก็ได้ส่วนศิลปากรเนี่ยศิลปะบวกอารอาระแปลว่าบ่อเกิดศิลปะก็แปลว่าวิชาความรู้ศิลปากรก็แปลว่าบ่อเกิดแห่งความรู้แต่อันนี้เป็นศิลปาคารก็แปลว่าโรงเรียนอาคารก็แปลว่าโรงแปลว่าอาคารศิลปะก็ที่เรียนหนังสือศิลปะความรู้กีวะทวงโรไกลเพียงไรคามมโตจากหมู่บ้าน โรงเรียนไกลจากหมู่บ้านแค่ไหนข้อ4ี่สิปาคางโกรคามโตติโยชนะทุงโกรติโยชนะสามโยตทูโรไกลติโยชนะทุงโกรไกลสามโยตโรงเรียนไกลสามโยตจากหมู่บ้านโรงเรียนกับหมู่บ้านห่างกันสามโยต์ ต่อไปข้อห้าคาโมนักฆราโตกีวะทูงโรคาโมหมู่บ้านกีวะทูงโรไกลเพียงไกลนกระโตจากเมืองจากนครหมู่บ้านกับเมือง ไกกันแค่ไหนข้อ6คาโมณนังกรณโตโยชนังทูงโรคาโมหมู่บ้านทูงโรไกลโยชนังหนึ่งโยต์หนึ่งโยตณคังกรณโตจากนครจากเมืองข้อ7อาสันโนนุอาวุโสคาโมณนัคคัโตอาวุโสเป็นอารปนะแปลก่อน ผู้มีอายุคาโมหมู่บ้านอาสันโนใกลทูโรแปลว่าใกลอาสันโนแปลว่าใกลเช่นอาสันะอาสันะมรณะอย่างนั้นอาสันนาะมรณนะวิถีอะไรันอาสันโนใกล้ณักระโตจากพนคอนนุหรือ เ ห, ห็แม้แต่ใกล้ก็จากไม่ใช่ใกล้ซึ่งนะบาลียใกล้จากไกลก็จากใกล้ก็จากจากพระนครหมูบ้านใกล้ไหมนั่นเองนะนุไปว่าหรือข้อ8ปดณอาสันโนพันเตณคนะังการโตคาโมพันเตท่านผู้เจริญคาโมหมู่บ้านณนะอาสันโนไกล ถำว่าไม่ใกล้แล้วก็แปลว่าไกลก็ได้หรือเราบอกว่าไม่ใกล้ก็ได้อาสันโนไม่ใกล้นะขั้งกระโตจากเมืองคาวุตังทูงโรทูงโรไกลคาวุตังหนึ่งคาวุตคาวุตก็คือสี่กิโลเมตรนะถามว่าใกล้ไหมแล้วก็บอกว่าไม่ใกล้เลยไกลสี่กิโลข้อเก้าเป็นคาถา นภัณฑ์จะทูงเรปฐวีจะทูงเรปางรังสมุทัะะทศตตาหูทูงเรตาโตหเ ว, ตวทูงรัตังรังวันติสตันจะธรรมโมอสตันจะราชะคาถานี้มาจากขุทกนิกายชาดกในพระไตรปิฎกเล่มที่28ข้อ414หน้า113 113เติมเลข3 หนึ่งสามมันมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็เลขสามหายไปนะหนึ่งหนึ่งสามมาจากเรื่องสุตโสมะพระเจ้าสุดโสมเคยฟังไหมพระเจ้าสุดโสมเพื่อนกันกับพระเจ้าโริษาทโจรคำว่าโริษาทแปรได้ไหมว่าโริษาทคืออะไรมาจากปุริ สาอสาสัแล้วอาทะปรริศาส์โปรริษาบวกอาทะแปลว่าคนกินคนโปรริศาส์โปรริษาบวกอาทะาาอาตุาธาตาตุคเนในการกิน แล้วก็จะเป็นงเนี้ยเป็นปุริสาทะโดยงบสะอาดน่าแล้ทีค่าสะอาหลังเป็นอาปุริสาวบอกอาทะก็เป็นปุริสาทะแล้วก็วุธิอูเป็นโอเป็นโอิสาทะที่อูเป็นโอปริสา ถ้าว่าปุษษริษาเนี่ยแปลว่าคนกลางๆผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ทีนี้คนคนกินเนื้อคนเนี่ยปุริษาโจนเหรอว่าไว้ว่าอย่างนั้นปุริษาเหรอไม่รู้เหมือนกัน คาถานี้เป็นคาถาที่พราหมณ์ผู้หนึ่งเดินทางม า, มาพบพระเจ้าสุสมก่อนที่พระเจ้าสุสมจะถูกพระเจ้าโพลิศาสจับพ ร, จพระเจ้าสุสมกับพระเจ้าโริศาสเนี่ยเป็นพระ ส, สหายไปเรียนศินละปะที่สํานักตักกศิลาจากอาจารย์ที่สาปาโมกพร้อมกันร้อยเอ็ด พระราชาโอรสเรียนรุ่นเดียวกันเป็นพระราชาโอรสจากร้อยเอ็ดเมืองไม่ใช่เมืองร้อยเอด็ดร้อยเอดเมืองพองเรียนจบแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับพระเจ้าบริษัทก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อว่าโพริษัทกลับมาครองเมืองเป็นผู้ทรงโปรด ปลาเนื้อสัตว์วันไหนพักระยารไม่มีเนื้อเลยสวยไม่ได้ต้องมีเนื้ออาหารแทบทุกอย่างต้องเป็นเนื้อจะเนื้อชนิดไหนก็ได้ขอให้เป็นเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนื้อเก้งเนื้อละมั่งเนื้อเป็ดเนื้อไก่ถ้ามาอยู่อีสานนี่คงจะได้กว่านี้ขี้กระปอมกุกกี่แมงกินนูน ดักแด้แล้วชอบเสวยเนื้อวันหนึ่งถึงวันอุโบสถร้านขายเนื้อเขาไม่ค่าสัตว์เพราะเป็นวันอุโบสถงดการค่าสัตว์ดีนะสมัยก่อนวันอุโบสถงดค่าสัตว์พ่อครัวทรงที่พระราชาปโปรดว่ามีฝีมือปรุงเนื้ออร่อยที่สุด ลืมไปว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถไม่ได้ซื้อเนื้อเตรียมตนเผื่อวันพรุ่งนี้ไว้พอวันรุ่งขึ้นวันอุโบสถก็ไปจ่ายตลาดจะซื้อเนื้อเนื้อในตลาดไม่มีขายเลยไม่มีคนฆ่าสัตว์ขายก็เลยว่าเอท่าทางจะแย่แน่แล้วถ้านในหลวงไม่ได้เสวยเนื้อคงประหารชีวิตเราแน่ไม่รู้จะทําอย่างไร เดินผ่านไปนึกจะเอาไปหานเนื้อที่ไหนเนื้อที่ไหนบังเอิ่นว่าทางที่เดินผ่านไปเรผ่านป่าช้าผีดิบนึกอุบายอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ว่าเอาละ่ะเราจะแอบเฉือนเนื้อศพที่ตายใหม่ๆไปปรุงอาหารถวายในหลวงก็เ <billion. S 1> <ค England. S 2> ลยเ <Body. S 2> <พ Lynn. S 1> ดินตระเวนไปในป่าช้า <พ Lynn. S 1> เห็นศพศพหนึ่งตายใหม่ๆ เขาห่อผ้ามาโยนทิ้งกริ้งเอาไว้เหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนเนี่ยพอครัวก็ไปเอามีดกรีดผ้าออกเห็นเนื้อขานี่แหละเป็นเนื้อลํำที่สุดเนื้อขาอ่อนเนี่ยน่าจะอร่อยที่สุดนะเนื้อสันมนุษย์ไม่มีเขาอร่อมั้งมีแต่ซี่โครงเนื้อขาอ่อนเนี่ยดีที่สุดเป็นเนื้อที่ลํำที่สุดก็เลยเฉือนเอาเนื้อไปพอไปถึงก็ไปปรุงอาหารเหมือน ทุกวันยกไปถวายพระราชาพระราชาพอสวยคำแรกเข้าไปโอชะคุณที่อยู่ในเนื้อมนุษย์เนี่ยนะพอแตะเข้าไปปลายประสาทลิ้นเท่านั้นนะวิ่งซาบซ่านไปทั่วอณูทุกขมขนเลยมีความรู้สึกว่ามีความ อ, ร, อร่อยเหมือนได้เสวยอาหารทิพย์อย่างนั้น พอหลับตาปรีรับรถอันซาบสัน้นพอพระไทยอย่างสุดซึ้งตั้งสติได้คิดทางลบขึ้นมาทันทีว่าไหนเรียกพ่อครัวมาสิพ่อครัวกูตายแน่กูตายแน่เพราะเก็บความลับเอาไว้พระราชาคงจะรู้แน่แล้วประหารข้าแน่งานนี้ พระราชาเรียกเข้าเฝ้าพ่อครัวเข้าไปพระราชาถามว่าทุกวันทำอาหารทาไมไม่อร่อยทุกวันที่ผ่านมาเจ้าปรุงอาหารอย่างไรมีฝีมือปรุงอาหารอาาร่อยขนาดนี้เก็บไว้ทำไมทำไมไม่ปรุงทุกวันทำไมมาปรุงแค่วันนี้วันเดียวอะ ก็กลัวตัวสั่น ง, งินงกไม่รู้จะแก้ไขสถานการณ์ยังไงคงจะบอกว่ า, ข, าข้าพระองค์ไม่ทราบไม่ได้จะว่าอย่างไงมันก็แก้ไม่ได้แล้วก็เลยพูดความจริงบอกว่าข้าพระองค์ปรุงอย่างเช่นทุกวันเลยพระพุทธเจ้าค่ะแต่บังเอิญวันนี้เนี่ยไม่ได้เนื้อจากตลาดก็เลยเอาเนื้อป่าช้ามาเป็นเนื้อมนุษย์พลาส์พราชาได้ยินเงียบ เจ้าอย่า ก, กล่าวดังไปเรื่องนี้ใครทราบบ้างแล้วพ่อครัวบอกว่าไม่มีใครทราบเลยนอกจากข้าพระองค์กับพระองค์เท่านั้นสองจะตกกันนะสี่หูเท่านั้นคือสองคนเป็นความลับถ้าเมื่อไหร่ใช้รหัสว่าจะตกกันนะนะั่นคือรู้เพียงสองคนเท่านั้นรหัสลับของภาษาวาลีท่านใช้ว่าจะตกกันนะ เพียงสี่หูเท่านั้นนี่คือความลับไม่รั่วไหลรู้เพียงสองคนเอาล่ะถ้าอย่างนั้นไม่ไม่มีใครรู้วันพรุ่งนี้เจ้าไม่ต้องไปจ่ายเนื้อที่ตลาดหรอกไปเอาเนื้อที่ป่าช้ามาให้ข้าประหยัดพราราชสัรับเลย พอพ่อครัวได้ยินอย่างนี้แม้จะพึงใจอยู่ก็จริงแต่ว่ายังหวาดหวั่นอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เรื่องมันจะเป็นอะไรยังไงต่อไปเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นที่นิบหลายวันเข้าหลายวันเข้าพ่อครัวนต้องไปเฉือนเอาเนื้อขาอ่อนซากศพบางวันก็มีศพใหม่บางวันก็มีศพเก่าบางวันไม่มีก็ต้องไปเอาศพที่เริ่มจะเน่าเหม็นบ้างแล้วแต่พระราชาก็ยังทรงโปรดเพราะมันอร่อยทุกมือ้อ อครัวก็หาวิธีปรุงลดนั้นลดนี้แบบนั้นแบบนี้ปิ้งย่างต้มทอดนึ่งตุนไม่รู้มีลาบก้อยหรือเปล่าน้ำตกอะไรไม่รู้เอาดีมาด้วยมาทำน้ำพริกนานเข้านานเข้าพ่อครัวรู้สึกอัดอั้นใจมากเหมือนกับเก็บความลับเอาไว้แล้วหน้าหัวอกหัวใจมันจะระเบิดให้ได้ ไม่รู้จะทำยังไงได้วันหนึ่งกำลังเดินหาซากศพอยู่ไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นไม้กรวงเป็นโพรงข้างในเอาละ่ะคงไม่มีใครได้ยินแล้วเราจะปล่อยความลับออกมามันหายอัดอั้นหน่อยมดุดหัวหมุดเข้าไปในโพรงไม้แล้วตะโกนอกว่าพระราชากินเนื้อคนโยว้ย <c oughs> โล่งอกแล้วได้พูด <c oughs> แค่นี้เดินทางกลับเฉื้อนตเนื้อแล้วก็เดินทางกลับโล่งไปแล้วที่อัดอั้นมาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้โล่งไปหมดแล้วมันได้พูดแล้วเป็นอย่างเนี้ยท่านถึงบอกว่าคนที่เก็บความลับไว้ไม่ได้คือผู้หญิงอะไรที่เป็นความลับอย่าให้ผู้หญิงรู้อุป ม, มาให้ฟังเพราะใครก็ตามท่านเราอยากให้เขาพูดไม่ยากนะ <S <S <ell an> บอกถ้าบอกว่าจะให้ใครช่วยประกาศโฆษณานะกระิว่าอย่าบอกให้ใครนะแป๊บเดียวกระชอนไม่พอเลยเพราะพบอกว่าเป็นความว่าจะอัดอั้นใจมันก็เก็บไว้ไม่อยู่อกจะแตกเท่านั้นแหละพอครัวได้พูดแล้วก็เดินทางกลับทำเนือบังเอิญที่ต้นไม้ต้นนี้มีรุกขเทวดาสถิตอยู่ได้ยินทุกเรื่องวันหนึ่ง กรองใหญ่ในวังเกิดชำรุดแตกพวกช่างทั้งหลายก็แสวงหาไม้มาทํากรองก็ไปเห็นต้นไม้โครงต้นนี้ที่มีเทวดาสถิตอยู่ตัดเอาท่อนที่เหมาะที่สุดบังเอิญว่าเป็นวิมานของลูกข้าเทวดาพอดีด้วยเพราะว่าลําต้นก็กลมกลึงดีด้วยแล้วก็สัดส่วนอะไรมันได้ตุลงตัวหมดทุกอย่างเอามาทํากรองหนังหุ้มเรียบร้อยยกขึ้นหอกรอง ตีทีไรบอกว่าเทวดาฉันเนื้อมนุษย์ไอเทวดากินเนื้อคนอเทวดาไอไม่ใช่เทวดาพระราชากินเนื้อคนตีที่ไรไม่ดังตูมตูมตีที่ไรก็บอกดังเทวดไอพระราชากินเนื้อคนเท่านั้นแหละเกิดอาเพศอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมหาอมมาตปุโรหิตทั้งหลายทราบเรื่องนี้เข้าปรึกษากันจับพ่อครัวมาสอบสวน พะครัวถูกบีบคั้นหนักๆเข้าเปิดเผยความจริงมหามาตยุโรหิตเข้าเฝ้าในหลวงยื่นคำขาดว่าระหว่างเนื้อมนุษย์กับบรรลังพระองค์จะเอาอะไร <c oughs> พระราชาบอกว่าข้าจะสละบรรลังจะกินเนื้อมนุษย์เท่านั้นแหละ สละทันทีเลยถอดมงกุฎถอดเครื่องทรงออกวางไว้ที่บันลังเรียกพ่อครัวมาแก้ไปกับข้าชวนพ่อครัวได้ไปเลยเข้าป่าสองคนไปซุ่มอยู่ตามป่าช้าพีดิบพ่อครัวก็คอยขึ้นไปปีนต้นไม้ดูว่าใครเอาศพมาทิ้งก็รีบไปเฉือนมาเก็บเอาไว้ทำอาหารปรุงอาหารมาวันหนึ่ง พ่อครัวหาอะไรไม่ได้เลยไม่มีใครตายบังเอิญไม่มีใครตายสักคนเดินกี่ป่าชา้าป่าช้าแล้วกลับมามือเปล่าไม่ได้เนื้อเลยพระราชากิ้วมากตอนนี้ไม่เป็นพระราชาแล้วโกรธจัดไม่รู้จะทําไงได้ก็สั่งครัวได้ไม่ได้ช่างมันแกก่อกองไฟไว้ไอ้พ่อครัวนี่ได้ยินว่าก่อกองไฟได้ไว้แล้วเนี่ย คิดอยู่อย่างเดียวว่ากูตายแน่วันนี้กูตายแน่นั่งรับมีดก่อไฟแล้วก็รับมีดตามสั่งหวาดเสียววาบวาบอยู่ตลอดพอก่อไฟเสร็จรับมีดเสร็จส่งมีดให้พระราชาพระราชาตัดคอพ่อครัวเลยเฉ<า>ื้อเอาเนื้อพ่อครัวทำอาหารกินเองยังไม่ตาย <laughs> กินเนื้อแล้วมีชีวิตรอดอยู่ได้อีกเอาพ่อครัวตายแล้ว ตั้งแต่วันนั้นละ่ะเป็นต้นมาวันที่พระราชานี้หนีไปอยู่ซุ่มอยู่ในป่าเนี่ยใครใครเขาก็เรียกพระราชานี้ว่าโปรริสัคนกินเนื้อคนคนกินคนมีแต่นู่นนะลุ่มน้ำอเมซอนใช่ไหม <4. S 1> เราได้ยินมานะคนกินเนื้อคนอยู่ในอินเดียเขามี ไม่รู้ข้ามไปแถวยุโรปฝั่งน้นหอาเนคนประวัติเรื่องนี้หลังจากนั้นมาพอไม่มีคนตายโบริษัทออกล่าเองใครไปตัดไม้ในป่าหาหน่อไม้หักฟืนเก็บผักจับฆ่ากินเนื้อหมดจนข่าวนี้ลือกันไปทั่วไม่มีใครยอมเข้าป่าเลยเมื่อไม่มีคนไปป่าออกล่ามาถึงหมู่บ้าน จับลูกจับหลานจับเด็กเล็กจับหนุ่มจับสาวเพียงแต่ว่าโปริศาทมาเท่านั้นขาก็ก้าไม่ออกแล้วไม่มีใครวิ่งหนีได้ทันเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งวิทยายุทธี่เรียนมาจากสำนักตักศิลาเนี่ยมีความเป็นเลิศทั้งใช้กระ บ, บี่ทั้งฝีเท้าเร็วไม่มีใครเมื่อได้เข้าสู่คองจากสู่แลจะรอดพ้นไปได้วันหนึ่งโปริศาสออกล่า เหยียบต่อไม้เข้าไปในเมืองแล้วถูกมนุษย์ไล่ต้อนโบธิสาโจรตรงนี้ใครมีมีมดมีขวานมีปืนผาหน้าไม้วิ่งมาต้อนตอนๆโดดกำแพงออกไปเหยียบต่อไม้ทะลุเลยตั้งแต่ฝ่าเท้าหลังเท้าเท้าทะลุวิ่งเขยงงเยงงเยง เ, เขาก็ตามล่าตามล่าไปเข้าไปอยู่ในปา่าเจ็บปวดทรมานไปหลบใต้ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง บวงสวงเทวดาบนบานสารกล่าวเอาไว้ว่าถ้าเทวดาทำให้แผลข้าพเจ้าหายจะนำพระราชาร้อยเอ็ดเมืองมาเป็นเครื่องเส้นแต่บาลีท่านพันนาว่าเมื่ออดอาหารหลายวันผิวหนังก็เริ่มเหี่ยวแผลจึงหายไวดังนั้นใครเป็นแผล <laughs> ใครเป็นแผลอักเสบนะให้อดอาหารและแผลจะหายเร็วเลิกกินเนื้อเลิกกินมันเลิอ ก, อกินอะไรพวกนี้ยพราะผิวหนังอุดมสมบูรณ์มันมันหายท้าให้เนื้อเนื้อหนังแห้งๆแล้วแผลมจะหายตกสะเก็ดเร็วดังนั้นเมื่อล่าอาหารไม่ได้หลายวันอะไรอุดๆหยากๆแผลหายเข้าใจว่าเทวดาช่วยอ๋อเทวดาผู้นี้มีอิทธิฤทธิ์ลือเกินจริงๆต้นไม้นะมีลูกขา่าเทวดากิ้งด้วยนะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย พอบริษัตแผลหายกราบเทวดาว่าค้าพระเจ้าจะไปนำพระราชามาเป็นเครื่องเส้นพวกท่านไปเลยจับทุกเมืองด้วนแต่เป็นเพื่อนเก่าที่เคยเรียนมาด้วยกันทั้งนั้นเลยหลายคนไม่ยอมให้จับแต่ก็จับมาได้ได้หนึ่งร้อยแลเหลืออีกคนเดียวเป็นเพื่อนรักกันมากก็คือพระเจ้าสุตโสมะ รั ก, กันมากบริษัทมุ่งหน้าไปเลยเข้าไปหาไม่จับนะไปพูดให้ฟังว่าเพื่อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นจะช่วยจะช่วยเราได้ไหมถา ม, ามพระเจ้าสุดสมพระเจ้าสุดสมบอกว่าได้แต่ว่าไม่ควรจะไปด้วยถ้าจะให้เราช่วยต้องช่วยด้วยวิธีอื่นอย่างนู้น น, นูบริสัทไม่ยอมต้องจับไปอย่างเดียววันนั้น ก่อนที่จะถูกพระเจ้าโพลิสตัตนำตัวไปเนี่ยมีพราหมูหนึ่งเดินทางมาจากเมืองอื่นพราหมูนี้ชื่อว่าสตาระหะคาถาพราหมพราหมณ์นักสวดคาถาพราหมูนี้เป็นพราหมูเที่ยวไปแสดงตัวอาสาตนจะสวดคาถาของบัณฑิตของนักปราชให้ฟังเพื่อแลกกับเงิน แทนที่จะเที่ยวไปดูหมอไม่ใช่นําคาถาของพระปเจคุยวเจ้า พ, าพระอสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตที่คำภีไตรเวทจารึกเอาไว้เขารู้ว่าคาถานี้เป็นสุภาษิตเป็นคำดีคําดีคำ ด, คำดีเขาก็จะไปหาคนมีฐานะสําคัญสำคัญบอกว่าข้าพเจ้าจะสวดคาถาแก่ท่านท่านอยากฟังบั้งไหมถ้าอยากฟังก็ตีราคาว่าคาถานี้ราคาเท่านั้นเท่านี้แต่เป็นคําของบัณฑิตสมัยไม่มีบัณฑิตคนอยากฟังก็มี พราหมณ์พวนี้ผ่านเข้าไปรู้ว่าพระเจ้าสุโสมเป็นบัณฑิตเข้าไปหาพระเจ้าสุโสมต้องรับอย่างดีเลยนะให้บ้านพักเอาไว้ตื่นเช้ามาถูกบริษัทจับพระเจ้าสุโสมก็เลยขอว่าเอากี้แล้วกันข้าพเจ้าเคยได้รับปากกับพราหมณ์ผู้หนึ่งเอาไว้ตอนนี้พักอยู่ในเมืองเนี้ยขอบอกลาเขาก่อนได้ไหมบริษัทก็ยอมให้ไปลา เมื่อมาหาพราหมณ์ก็บอกว่าท่านพรามข้าพเจ้าจะถูกบริษัทจับไปท่านมีคาถาจะสวดให้ฟังว่าอย่างไรเชิญสวดเดี่ยวนี้เลยข้าพเจ้าจะถูกจับไปแล้วจะเป็นตายร้ายดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าท่านอยากสวดจงสวดเดี่ยวนี้พราหมผู้นั้นสวดว่าณนะพันจะทูเรปทวีจะทูเรปางรังสมุรทรสาตต า, าหูทูเร ตาโตหะเวทูงระตังรังวทันติสตัญจะธมโมอสตันจะราชาเนี่ยคำของพราหมณ์เป็นสุภาษิตหรือเปล่าลองฟังดูนะพังจะท้องฟ้านพังแปลว่าท้องฟ้าทูงเรอยู่ในที่ไกลท้องฟ้าก็อยู่ในที่ไกลปฐวีจะทูงเรแผ่นดินก็อยู่ในที่ไกลฟ้ากับดินห่างไกลกัน ฟ้ากับดินห่างไกลกันปางรังฝั่งนอกสมุทรทัศน์แห่งมหาสมุทรตะทะตะทาหุท่านกล่าวว่าทูงเรมีอยู่ในที่ใยอยู่ไกลฝั่งนอกของมหาสมุทรท่านกล่าวว่าไกลเหลือเกินมองไม่เห็นธรรมโมธรรมะ สตังจกะของสัตตบุรุษอสตังจะและของอสัตตบุรุษ ว, วทันติท่านกล่าวทูงระตังรังว่าไกลยิ่งกว่าตะโตกว่าฟ้ากับดินนั้นหาเวและราชาราชาก็คือข้าแต่พระราชาคาถานี้พรามสวดว่า ข้าแต่พระราชาเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าอา่าไม่ใช่บัณฑิตท้องฟ้ากับแผ่นดินช่างห่างไกลกันนะักฝั่งนู้นของมหาสมุทรก็กลก็ห่างไกลจากฝั่งนี้แต่ว่าธรรมะของสัตวบุรุษกับสัตว์ตรบุตห่างไกลกันยิ่งกว่านั้นอีกเลยพระเจ้าข้า ฟ้ากับดินห่างไกลกันแค่ไหนก็ช่างแต่ระหว่างบัณฑิตกับคนพานห่างยิ่งกว่านั้นอีกถ้าจะไปหาคนพานเรียกว่าห่างจากบัณฑิตยิ่งกว่าฟ้ากับดินถ้าจะไปหาบัณฑิตก็ห่างจากคนพนพานยิ่งกว่าฟ้ากับดินท่านว่าไว้อย่างนั้นพอพระเจ้าสุตโสมได้ยินคําสวดนี้นะเพ่งราะมากจับใจมากประทับใจเหลือเกิน ถามพราหมว่าพราหมท่านสวดคาถานี้ได้เงินเท่าไหร่บอกว่าข้าพระเจ้าสวดคาถานี้ให้อนาถาปินณิกาเศรษฐีฟังให้เศรษฐีบ้านโน้นฟังให้เศรษฐีบ้านนี้ฟังสมัยโน้นมันมีคนชื่อตรงกันเยอะข้าพระหาบดีผู้นั้นฟังมหาปุป ร, รารมหาปุโรหิตมหามาดเขาให้คนละหนึ่งร้อยกหาปณะนะ เพราะอย่างนี้ข้าพระเจ้าจึงได้ชื่อว่าสตางรหะแปลว่าควรแก่หนึ่งร้อบาทเอ้ควรแก่หนึ่งร้อยกหาพระนะพระเจ้าสุตโสมบอกว่าพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นเราจะให้ท่านหนึ่งพันเพราะคํานี้แหละพราหมณ์พูดนั้นตั้งแต่วันนั้นมาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าสหัสาาสาง ร, รหะควรแก่หนึ่งพัน ขึ้นราคาบทส่วนแล้วก็เหมือนเราไปซื้อของอ่ะพอไปซื้อเขาหยิบของมาให้ถามว่าราคาเท่าไหร่สิบบาทอุ๊ยดีกว่านี้ไม่มีเลยอ้าวเขาก็ไปหยิบอันใหม่มาให้ของเหมือนกันนั่นแหละราคาสิบาทถ้ากันเอาเอานี้ย่สิบาทเออเอาอันนี้ตั้งแต่วันนั้นมาร้านนี้ขายยี่สบบาทหมดทุกอย่างเหมือนกันอย่างนี้แหละ ดังนั้นพอฟังคาถาจบสุตโสมาก็ยอมไปกับโพริสาโจรเมื่อไปแล้วเนี่ยไปเห็นต้นไซใหญ่เนี่ยนะโยมเคยไปตลาดสดไหมเห็นเขาห้อยขาหมูไว้ขายไหมขาหมูขาไก่ร้านเป็ดเขา้าวกลวยเตี๋ยวเป็ดเข้าวมันไก่อะไรเขาห้อยขาไม่ไปร้านไปเียงหมูก็ห้อยขาหมูเยอะยะไปหมดพระเจ้าสุตโสมไปเห็นต้นไซเต็มด้วยพระราชาร้อยองค์ถูก เชือกถูกเถาวันแทงเอ็นร้อยหวายห้อยไว้กับกิ่งไทรยัวเยะเต็มไปหมดเลยไม่ตายไม่ตายจริงๆเนี่ยนะบริษัทเนี่ยไม่เคยมีใจเลยว่าจะไปจับพระเจ้าสุดะสมมาเพราะเป็นเพื่อนรักกันทำอย่างไรก็ไม่ประทุสร้ายกัน จะไม่ประทุสรายสหายรักเด็ดขาดแต่เทวดารู้ว่าถ้าให้นำสุตโสมมาเนี่ยจะช่วยพระราชาทั้งหมดจะได้เทวดาก็เลยแสดงฤทธิ์ออกมาปรากฏตัวว่าแค่นี้เหรอเครื่องบวงสวงข้าเท่านั้นแหละบริษัทรอ้ว่าอุ้ยแล้วแต่ท่านเทวดาจะต้องการอะไรข้าพเจ้าจะนำมาให้ถ้าอย่างนั้นไปนำพระราชาสุตโสมาข้าต้องการนั่นแหละบริษัทจึงไปจับสุตโสมมา พอมาแล้วจะห้อยขาเหมือนพระราชาอื่นไม่ห้อยเพราะเป็นเพื่อนรักกันก็เลยเชิญท่านมานั่งตรงนี้เถอะก่อนจะฆ่าบูชายันก่อนจะฆ่าบวงสวงเทวดาในฐานะเป็นเพื่อนรักกันข้าจะให้พรแก่ท่านสักหนึ่งข้อต้องการอะไรขอมาก่อนตายให้พรหนึ่งข้อถ้าเป็นเราแลย ขอข้อเดียวอย่าค่าค่าเลยใช่ไหมถ้าเป็นเราต้องขออย่างนี้ตายแน่ขอไว้ดีกว่าแต่ว่าสุตโสมะเนี่ยเป็นบัณฑิตไม่พูดอย่างนี้ขอพรข้อหนึ่งว่าข้าพระเจ้าขอเห็นท่านมีอายุยืนหนึ่งร้อยปีปลื้มมากเลยนะ ขนาดจะถูกเราฆ่ายังขอให้เรามีอายุยืนทั้งร้อยปีหรือเนี่ยแต่ว่าขอเห็นท่านมีอายุร้อยปีนั่นแสดงว่าก็ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันไงจะให้มีชีวิตอยู่ร่วมกันจนเห็นได้อายุร้อยปีแทนที่จะขอชีวิตแล้ไม่ขอขออย่างเนี้ยเป็นการขอชีวิตที่มีความไพเราะจับจิตะขอเห็นท่านมีอายุยืนหนึ่งร้อยปีพระเจ้าบริษัทได้ยินอย่างนี้อูประทับใจมากประทับใจ เพิ่มพรให้อีกว่าท่านต้องการขอมาอีกจังหวะเนี้ยพระเจ้าสุดสมพูดธรรมะยกแม่น้ําไม่รู้กี่แม่น้ํายกท้องฟ้าไม่รู้กี่ท้องฟ้ายกแผ่นปฐพีมาไม่รู้เท่าไหร่โยงใหญ่มาเพื่อจะสอนพระเจ้าโพลิสัตจนพระเจ้าโพลิสัตใจอ่อนสุดท้ายยอมรับคําสอนปล่อยพระราชาทั้งร้อยเอ็ดเมืองพระเจ้าสุดสมพาโพลิสัตกลับเข้าเมืองเพื่อ กลับคืนไปคลองราดเหมือนเดิมกลับเข้าไปเข้าเมืองชาวบ้านชาวเมืองโบริษาทโจรมาแต่ก็เจอกระเจิงกันโกราหนทั้งแผ่นดินพระเจ้าเสด็จสมมาว่าพวกท่านอย่าตกอกตกใจไปเลยบัดนี้บริษัทจิตใจสงบแล้วไม่ประทุษร้ายใครแล้วแล้วก็กลับขึ้นไปคลองราดอย่างเก่าเรื่องก็เลยจบลง <c oughs> คาถาอันนี้แปรคาถาที่อื่นไม่ต้องแปลแล้วก็ง่ายแปลคาถาแปลว่ากว่านั้นกว่านั้นแลฮะเวะเวแปลว่าแลตะโตแปลว่ากว่านั้นทูงรัตดรังไกลยิ่งไกลมากนะไกลยิ่งไกลมากตะโตกว่านั้นว่าทันติย่อมกล่าวบัณฑิตทั้งหลายย่อมกล่าวฮะเวแปลว่าแล กว่านั้นแหลกว่านั้นมากเลยอะไรอย่างนี้ไกลกว่านั้นมากเลยนะณนะพังท้องฟ้าทุเรอยู่ไกลจะและปฐวีแผ่นดินทูงเรยก็อยู่ไกลท้องฟ้ากับแผ่นดินอยู่ไกลกันปางรังฝั่งโน้นสมุททัศแห่งมหาสมุทร ตาทาหูท่านกล่าว อ, อาหูนั่นเอง ต, ตังอาหูนั่นเองตาทาหูท่านกล่าวทูเรว่าไกลทุเรว่าไกลธรรมโอธรรมะอ ส, ะ ต, ะสะตังจะสตังแปลว่าของสัตตบุรุษอสตังแปลว่าของอสัตตบรุตสตังของสัตตบุรุตอจะละ อาสตังของอาสตัตตบุรุษวัทันติท่านกล่าวทูงรัตรังว่าไกลยิ่งตะโตหะเวกว่านั้นแหลไกลยิ่งกว่านั้นแลราชะนะพระราชากแ <c oughs> ปลก่องก็ได้ราชาฆ่าแต่มหาบอภิษราชาอะไรก็ว่าภัยนะราชาฆ่าแต่พระราชา ท้องฟ้ากับแผ่นดินอยู่ห่างไกลกันฟังมหาสมุทรก็ห่างกันแต่ธรรมะของคนดีและคนชั่วหรือว่าของบัณฑิตกับคนพานท่านกล่าวว่าห่างกันยิ่งกว่านั้นเสียอีกในขณะเราฟังธรรมบัณฑิตแลาก็ห่างจากคนทานในขณะเชื่อของคำของพาล้วก็อยู่ห่างจากบัณฑิต ห่างขนาดไหนถ้าเขาจะถามนะห่างไกลยิ่งกว่าฟ้ากับดินถ้าอาจารย์พรยองว่ายิ่งกว่าฟ้ากับเหวยิ่งเลื่อยไปอ่ะแปลสักหน่อยแล้วก็เลิกแปลคาถารราชาก่อนเลยราชาขอเดชะนะแค่นี้แหละราชาขอเดชะนะพันจะทวงเรตัทวีจะทวงเร ของฟ้ากับแผ่นดินอยู่ห่างไกลกันปานรังสมุทรสัตตทาหููงเรฟังแห่งมหาสมุทรท่านกล่าวว่าไกลกันธรรมโมธรรมะสะตังของสัตตบุรุษอสตังจะและของอสัตตบรุษวัทันตีท่านกล่าว ทวงระต่างรังว่าห่างว่าไกลยิ่งว่าไกลยิ่งตะโตหะเวกว่านั้นแหละเอาละพอแล้วนะจบบทจบวิพัตที่ห้าส่วนหน้าหลังนี่นะกรุณาแปลเป็นภาษาบาลีเนี่ยนะเราไปแปล เ, เองก็ได้ลองไปทำมายุดหนึ่งอาทิตย์ ไปเนี่ยไปทำหน้า4ี่สองเนี่ยมาเขียนเป็นบาลีมาหน้าส2บสองท่านมาจากไหนข้าพเจ้ามาจากเมืองหลวงท่านมาจากเมืองหลวงโดยอะไรข้าพเจ้ามาจากเมืองหลวงโดยรถไฟข้าพเจ้าออกจากหมู่บ้านพร้อมกับเพื่อนสามคนเด็กชายคนหนึ่งตกจากกิ่งของต้นไม้ในป่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมกลัวจากบาปอกุศลส่วนคนพาหทั้งหลายย่อมไม่สะดุ้งกลัวจากบาปอกุศล ท่านเรียนเอาศิละปะจากใครข้าพเจ้าเรียนเอาศิละปะจากพระอาจารย์มูทิตะไม่รู้จักก็แล้วไปสามนเณรทั้งหลายรับเอาสีขาบทสีประการจากพระอุปชาหมู่บ้านของท่านไกลจากโรงเรียนเท่าไรไกลประมาณ3ามยอดจังหวัดเชียงใหม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหรไกลประมาณ70กิโลเมตรคือ44โสิบสยอดให้เขียนเป็น4ีโสิบสยอดมา